คำสอนสมเด็จพระสังฆราชว่าด้วยเรื่องของเมตตาคำสอนที่87ความเมตตาเป็นธรรมะที่ทำให้คนเรามีคุณธรรมเมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขผู้ที่มีเมตตาคือผู้ที่มีความเป็นมิตรตรงกันข้ามกับศัตรูซึ่งมีจิตพยาบาทมุ่งร้ายเมตตาตรงข้ามกับโทสะพยาบาทเมตตาเป็นเครื่องอุปถัมภ์แต่โทสะพยาบาทเป็นเครื่องทำลายล้างเมื่อเรามีความเมตตาต่อกันยอมคิดที่จะเกื้อกูลกันให้มีความสุข ผิดพลาดไปบ้างก็ให้อภัยกันแต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วก็จะมีแต่การทำลายมีความพยาบาทใครทำความไม่พอใจให้ก็จะตอบแทนด้วยความไม่พอใจเช่นกันจึงควรมีเมตตาต่อกันเพื่อสังคมที่เป็นสุข คำสอนที่88เมตตาความมีจิตเย็นสนิทด้วยความปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นความรักที่เย็นสนิทไม่ใช่ร้อนรนเหมือนอย่างมารดาบิดารักบุตริดาถ้าได้อบรมเมตตาให้มีประจำจิตใจก็จะเป็นอาหารใจที่วิเศษเพราะเมื่อใจได้บริโภคเมตตาอยู่เสมอ จะเป็นจิตใจที่ระงับโทสะพยาบาทมีความสุขเย็นทำให้ร่างกายมีความสุขเย็นไปด้วยได้ในคำว่าทำใจให้สบายร่างกายก็สบายแม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อยก็ไม่เป็นทุกข์คำสอนที่89 เมตตากรุณาเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธการเจริญเมตตาจึงเป็นการแก้วความโกรธที่ได้ผลผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอเป็นผู้ไม่โกรธง่ายทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจของเมตตาอีกด้วยคำสอนที่90ส วิธีปลูกเมตตาคือคิดตั้งปรารถนาให้เขาเป็นสุขและคิดตั้งปรารถนาให้เขาปราศจากทุกนั้นเป็นการุณาที่แรกท่านแนะนำให้คิดไปในตนเองก่อนแล้วให้คิดเจาะจงไปในคนที่รักนับถือซึ่งเป็นที่ใกล้ชิดสนิทใจอันจะหัดให้เกิดเมตตาการุณาได้ง่ายครั้นแล้วก็หัดคิดไปในคนที่ห่างใจออกไปโดยลำดับ จนในคนที่ไม่ชอบกันเมื่อหัดคิดโดยเจาะจงได้สะดวกก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด้วยสัพพสัตว์ไม่มีประมาณทุกท่วนหน้าเมื่อหัดคิดได้ดังกล่าวบ่อยๆเมตตากรุณาจะเกิดขึ้นในจิตใจคำสอนที่91อ ชีวิตของทุกคนดำรงอยู่ได้อาศัยเมตตากรุณาของผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่บิดามารดาครูอาจารย์พระมหากษัตริย์และรัฐบาลญาติมิตรสหายเป็นต้นถึงไม่ถูกใครฆ่าก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เลยเหมือนอย่างมารดาบิดาทิ้งทารกไว้เฉยเฉยไม่ถนอมเลี้ยงดูไม่ต้องทำอะไรทารกจะสิ้นชีวิตไปเอง ฉะนั้นเมื่อทุกๆคนมีชีวิตเจริญมาได้ด้วยความเมตตากรุณาของท่านก็ควรปลูกเมตตากรุณาในชีวิตอื่นสืบต่อไป